พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่าทดแทนบุญเติมทุนให้ตัวเอง วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันโกนเป็นวันปรงวันพุนเป็นวันพระแล้วก็อีกไม่นานวันที่ยี่สิบเก้าสาสินะคานายาิโยมลูกหลานเป็นวันครอบครอบขององค์หลวงตา ที่ท่านมรณะภาพคงจะมีงานใหญ่คงจะทำบุญลำลึกถึงพระคุณของท่าน2 9 3สมกราสมสิน่อันที่ส0เน่เป็นวันทำบุญลำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาที่จากพวกเราไปก็เป็นเวลาถึงแต่บางคนก็ว่า5ปีแต่บางคนก็ว่าสี่ปีเต็ม แต่หลวงพ่อยังไม่ได้นับข้อมือดูแต่ท่านจากไปปี 2,554 แล้วก็พร้อมกันในวัดของเราก็คงจะทำบุญลำลึกถึงแลืวว่าอุทิศสวนกุศลประจำปีของพวกเราอีกเหมือนกันลำทำบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณ ในวัดของเราแต่ก่อนหน้านี้เราเราเอายกวันของคุณแม่ชีแก้วเป็นหลักเราก็ทําบุญลาลึกถึงคุณแม่ด้วยลาลึกอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณด้วยแต่นี่คุณแม่เราก็ยกไปทางมุกดาหารวัดของเราก็ควรจะตั้งเป็นวันหนึ่งขึ้นมาอีกเพื่อลาลึกถึง พวกมีอุปกระคุณอย่างวัดของเราที่พวกเราได้มานั่งอยู่เดี่ยวนี้แหะศาลาหลังนี้ได้มาอย่างไรก่อนที่จะได้มาศาลาหลังนี้ก็ไม่ใช่ เ, เศษคาตาฟูดฟาดขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องมีผู้ลงทุนเสียสละทุนทะครับหลายเงินทีเดียวและก็ออกแรงผู้ออกแรงก็มีมาช่วยทําการงาน จากนั้นกับผู้ออกทุนนรครั์ก็มีและจากนั้นกับผู้ช่วยความคิดใช้จิติใช้ปัญญาออกแบบออกแปลนช่วยความคิดก็มีเพราะนั้นหลายหลคนที่มาร่วมสร้างวัดป่านาคำน้อยของเราต่างก็ร่องรยไปตามอายุสังขารผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็มีผู้ที่ร่องรยไปแล้วก็มีเพราะนั้นที่ผู้ร่องรยไปก่อนพวกเรา พวกเราก็ยังระลึกถึงบุญคุณของท่านเหล่านั้นอยู่เพราะนั้นพวกเราปีหนึ่งควรจะทําบุญอุทิศหรือว่าทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อท่านเหล่านั้นถ้าว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นตกทุตกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลแต่ท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิง่งยิ่งขึ้นอันนี้คือจุดหมายจุดประสงค์ของพวกเรา พวกเราก็เล่นัดกันวันที่ยี่สิบสองกุมภาตรงกับวันมาฆบูชานะ่ะเพราะเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดอยู่แล้วนะพี่น้องประชาชนก็จะมาทําบุญอยู่แล้วก็พวกเราก็ถือโอกาสทําบุญอุทิศ ส, สวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณท่านเหล่านั้นทางวัดของเราก็จะนินมนต์ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านว่างพอที่จะมาได้านะมาในวันนั้นพวกเราก็จะได้ร่วมกัน ถวายปัตตหารอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวใ น, นกัปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเรานัดเรากำหนดวันเดือนสามเพนทุกปีต่อไปนะถ้าไม่มีอะไรอุปสรรคไม่มีอะไรขัดข้องขัดขวางพวกเราควรจะทำทุกๆปีเพราะว่าวัดของเราสร้างมาตั้งแต่ปี2อสจนถึงปี5้เนี่ย กี่ปีผู้โร่งรยไปตามอายุสังขารก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนับนับดูถอยหลังดูมีลูกใครต่อใครแต่ดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่ลุงพ่อก็มั่นใจเพราะว่าท่านก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นคนดีอยู่แล้วที่ด้มาสร้างวัดวาศาสนาแต่ถึงอย่างไงพวกเราก็บางทีอาจจะ ก่อนที่จะตายแล้วก่อนที่จะหมดลมหายใจเข้าออกนะอาจจะคิดไปในทางอกุศลพรทตาอกุศลมันก็ไปทางอกุศลก่อนแต่โผล่เพราะโผล่ขึ้นมาอีกแต่เอี่ยก็หลงทิศหลงทางงงเหมือนกันเอ๊ะเราทำไมวนะนี่แหละพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลใครข้าวหาเงินใส่มือใส่กระเป๋าให้ ให้วงวิญญาณท่านเหล่านั้นไปสู่สุคติภพไปตามสิ่งที่ท่านพึงปรารถนาเพราะมาเราที่เราทำทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้คิดได้คิดทำไม่ได้มัวเมียแล้วนะก็คิดทำไม่ใช่เรามีตำรับตำราอ้างองิงในพระไตรปิฎกหรือว่าในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดกล่าวเอาไว้ มีมากมายเรื่องตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนนรกสวรรค์มีอยู่ในปไตยปิดกถ้าถอดว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนปไตยปิดกคงจะหมดไม่มีอะไรจะเขียนอีกต่อไปแต่นี้มีมากมายที่ท่านบรรยายเอาไว้อันนี้พวกเราคนนั้นหยิบประเด็นมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ใถ้าใครทํากรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ก็คือทำคําสอนของพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่พวกเราทําี่กันเป็นการนําลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกรณคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของพวกเรา ทุกคนเป็นผู้มีอุปกรณ์เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณ์ก่อนพวกเราที่เป็นลูกหลานควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาอย่างไรต่อพระคุณท่านเหล่านั้นเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่าน อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านได้ตราได้ตรัสเอาไว้ให้พวกเราเป็นกระจกเงาให้พวกเราเดินตามถูกต้องไหมนี่แหละเมื่อท่านหลวงรับไปแล้วถึงท่านจะหลวงรับไปก็จริงถาดฐาน ร, ร่างกายของท่านแต่ร่างกายของเราที่เป็นมรรกของท่านที่ท่านให้มาตั้งแต่หัวจดเท้าได้มาจากพ่อแม่ยังอยู่กับเราอยู่เราควรจะเอาก้อนนี้ละ่ะ ร่างกายของเราเนี่ยไปสะสะแสวงหาทรัพย์จากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลทดแทนบุญคุณของท่านคืนเพราะก่อนทุนของท่านยังมีอยู่กับเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พุธธทธศาสนาท่านให้สอนไม่ให้ลืมพระคุณของผู้มีอุปกรคุณเมื่อเมื่อเราทำเมื่อใครทาคุณให้กับเราเราต้องจำเอาไว้อย่าไปลืมอย่าไปลืม คูณคุณของคนแต่เมื่อเร า, เาให้กับใครไปเนะี่ยอย่าจำให้ไปแล้วแล้วไปไม่ต้องทวงคืนถ้าว่าเราทวงคืนเราทุกข์ใจเราอีกนะเี๋ยวนอ้ในเมื่อคนอื่นให้เรามาเนะี่ยเราต้องจำไว้เนะี่ยเป็นผู้มีพระคุณแต่เมื่อเราให้เขาไปให้ไปแล้วแล้วไปไม่ต้องจำถ้าจำจำว่าเออเข้าไปเจ้าให้ อาหารของท่านมื้อหนึ่งให้ก๋วยเตี๋ยวไปท่านมื้อหนึ่งท่านไม่ทดแทนบุญคุณของข้าเลยยังดูถูกข้าอีกไงให้ข้ามันจะทุกข์ใจเราเพราะนั้นท่านว่าไม่ต้องจยำให้ไปแล้วก็แล้วไปถ้าเขาเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจเขามีศีลธรรมในคุณธรรมในจิตใจเขาจะระลึกถึงเองอ่าเขาระลึกถึงบุญคุณของผู้มีผู้มีพระคุณสําหรับเขา แต่ถ้าว่าเขาระลึกไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเราจะไปทุกไปร้อนกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะนั้นให้พวกเราใช้แนวความคิดนี้หลวงพ่อสบายใจกว่าสบายใจกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวก็ให้พวกเรา สำนึกในพระคุณอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำบอกกล่าวนี่แหละปีนึงพวกเราควรจะทำบุญทบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกระคุณของวัดที่มีผู้เสียสละทั้งส่งปัจจัยมาช่วยทางกงทางไกก็โดยสม่าเสม อ, อแล้วก็พวกเราก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ได้รับความสะดวกสบายได้มาภาวนา มารักษาศีลอยู่ในวัดของเราเนื้อที่กว้างขวางการล้วนแล้วแต่เป็นทุนทรัพย์ของพี่น้องประชาชนหลายหลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะที่มาร่วมสมทบมาช่วยวัดเราคนละมากคนละน้อยนะอันนี้เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นถ้าผู้ใดก็ตามตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เนะ ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก ข, ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือการอุทิศวนกุศลแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเราจะให้คนอื่นอุทิศวนกุศลให้เรานะเราควรจะทำเอาเองดีกว่าเนี่ยเมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบมาพบพระธรรมคำสอนของพระพธธุทธเจ้าแล้วนะเราไม่แช่จะงอมืองอเท้าให้เขา ป้อนอาหารใส่ปากให้กินอย่างค่อยเกี้ยวไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องหาเองเราหาเองเราทําเองเราสร้างเองบุญบุศลตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวควรจะรักษาศีลอย่างไงควรจะให้ทานอย่างไง ร, รักษาศีลอย่างไงภาวนาอย่างไรเอาคุณงามข้อดีเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราก่อนตายน่าเลิศประเสริฐกว่านะามิใช่ว่า พอตายไปแล้วใส่ในหีบในโลงเสร็จแล้วก็ลูกหลานอบค้อนไปเคาะโลงปอุกปุกปลุกปลุอรับสินเนอะแล้วกับค้อนไปเคาะโลงปุกปๆกปกปถวายทานรับผลทานเนอนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ อ, อ้พวกเราทำเอาก่อนตายเลยเรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาะรำคุณงามความดี เสร็จแล้วลูกหลานเอ้ยลูกจลูกหลานไม่ต้องทำองค์บุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าแล้วข้าเอาทําพอเอาพอแล้วในข้าเนี่ยเมื่อข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าทำเอาเอาแล้วพอแล้วลูกหลานไม่ต้องทําทําบุญอุทิศให้ข้าหรอกนะอแต่จะตก ป, ปัจจัยเงินอยู่ที่นั่นที่นี่แบ่งกันทนะที่ดินที่ไร่ที่นาบแบ่งกันซะเอไม่ต้องห่วงเราเราทําเอาพอแล้วอย่างองค์หลวงตามหาบุต ท่านประกาศเลยแหละท่านบอกว่าเมื่อเราตายไม่ต้องนำมาพระไม่ต้องนำพระมากุศลาเรานะกุศลาธรรมากุศลาธรรมามาสวดมัตติกามาสวดอภิธรรมนะไม่ต้องมาสวดนะพระที่มาสวดนะมองตัวเองหรดูสิว่าเป็นยังไง เ, เ, ร เ, เ, เ, รเราพอตัวแล้วเราเราพอตัวแล้วไม่ต้องมาสวดให้เราเราเพียงพอแล้ว ผู้ที่มาสวดเนี่ยมองมองตัวเองหรือเปล่าว่าเป็นยังไงหรือมาสวดมาพอที่ตินกินข้าวต้มขนมคนมได้ห้าได้สิบอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของพระไม่ต้องมานะอันนี้คือหลวงตาที่ท่านบอกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกหลานทุกคนในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยควรจะประกอบคุณงามความดีไม่ควรจะละเลยล ะ, ละเหลิงจนเกินไป วันพระก็ควรไหวพระสวดมนต์รักษาศีลเป็นไปได้รักษาศีลห้าจากนั้นกับภาวนาทําจิตใจให้สงบบําเพ็ญกุศลไปเรื่อยๆอย่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปถ้าเมื่อเราบําเพ็ญคุณงามความดีโดยสม่ําเสมอเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็มีหลักมีหลักมีกฎมีเกณฑ์จิตใจมั่นคงเชื่อมั่นในตนเอง อย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านก็เชื่อมั่นในตนเองนะพอถึงจุดหนึ่งนะเอไม่ต้องทําไม่ค่านะค่าทําพอแล้วเนะนี่แหละอันนี้ก็พวกเราควรจะศึกษาเหมือนกันนะพวกเราคณะทตหา ญ, ญาจุม่มพระเนรลูกหลานทุกองค์ควรจะศึกษาควรจะประกอบคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจของตอนเองไม่ต้องคอยไม่ต้องรอคอยให้คนอื่นทําให้เราบางทีเขาโอามาให้เราบางทีก็ผิดบ้างทูกบ้าง เออทั้งที่เราขณะยังมีชีวิตอยู่เราสั่งให้ลูกให้หลานของเราไปซื้อของมาให้มันก็ยังผิดนะในเมื่อตายไปแล้วเนี่ยโอลูกหลานขเขาจะมองไปหาใครไปเอาไปซื้อกองบวชไปเอาผ้าราคาแพงนะดีๆนะโอ้ราคามันแพงเกินไปไม่ต้องเอาแพงก็ได้หรอกเอาราคาถูกๆ ก, ก็ได้หรอกเออใครจะไปรู้อ่ะ เพราะในส่นเอาของราคาถูกๆราคาห่วยๆมาทําบุญให้กับเราเ อ, อเราเป็นผีแล้วก็มองจนตาพริบๆพิบอยู่เพราะอะไรมันไม่ได้อย่างใจเราใช่ไหมละ่ะนี่แหละ เ, เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องทําเอาเองเมื่อเราทําเอาแล้วนั่นไม่ต้องลูกหลานให้เขาทําให้ลกอกหมดพ อ, อบุญกุศลเราพอแล้ว เราได้เราได้เท่าไร่เราก็ได้เท่านั้นแหละนะแต่อย่าไปใช้ความโกรธนะความโกรธไม่ดีการทําบุญใช้ความโกรธก็ไม่ดีเหมือนกันนะคณะ า, า, าจารติโยมลูกหลานถ้าไม่ได้อย่างใจตนเองโมโหให้เขาให้ลูกให้หลานก็ไม่ใช่เรื่องอถ้าตายในขณะนั้นกัอไปเป็นเสือบังเป็นสิงเป็นปิงงูจงอางงูเหา่าเอางูที่มีพิษเนี่ยที่งูที่ดูร้ายเนี่ยเพอาะไรเพราะ เราอารมณ์โมโหโกโรธโกโรธในขณะที่ทําบุญก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันนะเวลาจะทําบุญต้องทำใจให้ส บ, บายทําใจให้เย็นๆและลึกถึงคุณงามความดีถึงจะมีอารมณ์อะไรมากระทบกระแทกในจิตใจของเราเราก็พยายามวางใจของเราให้สม่ําเสมอในช่วงนั้นทํามันผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะมีอะไรยังคอยว่ากันแ่ไ แต่ในช่วงนั้นทําใจให้สบายๆเวลาทำบุญอย่าไปฉุนเฉียวโมโหโกธาอย่างพระเจ้าธรรมโศกราชในประวัติแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปสองสามร้อปีแล้วะพระยาธรรมโศกราตท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในยุคสมัยนั้นท่านฝากฝีมือในการก่อสร้างพระพุทธศาสนานมากมายทีเดียวลูกชายของท่านก็ได้บวช เป็นพระมหินก็ได้จาเร็จเป็นพระทหารลูกสาวของท่านกระบวดเป็นภิกษุณีนางสังฆมิตราก็ได้เป็นพระภิกษุณีเป็นพระทหารอีกก็ว่าเป็นพระทหารทั้งลูกหญิงลูกชายแต่ตัวของท่านเองนับถือพระพุทธศาสนาอย่างสุดซึ้งเรื่องการทําบุญทาทา น, นในยุค ข, ของท่านแล้วไม่หาที่ตําหนิไม่ได้เลยแต่พอโคงสุดท้ายเนี่ย ท่านก็สั่งเสนาอํา ม, มาตราตงเวกทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยเงินของเราอยู่ในท้องพระคลังเนี่ยเป็นเงินส่วนองค์ส่วนเรานะส่วนตัวของเรานะ่ะส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะนะนั่นตัว น, นั้นะเอาไปทําบุญนะทําบุญเท่านั้นเท่านั้นนะแต่ส่วนคลังหลวงเอาไว้แต่ที่ท่านสั่งไปแล้วเนี่ยตะก่อนท่านสั่งไปก็เป็นศักดิ์สิทธิ์ใช่หมลนะ่ะแต่ที่ท่านป่วยล่อแร่พอแรงได้เนย ใช่อาการหนักเขาก็รู้อ่ะคงจะไม่นานแล้วก็พระเจ้าเป็นดินคงจะสวรรคตแล้วพญาธรรมสุขเขาก็ไม่ปฏิบัติตามเลอเพระเอาเงินท้องประครังจุดนั้นก็ไม่เฉยน้อยเหมือนกันเเขาก็เสียดายเงินเอาไปละเลงละลายถลุงไปถวายพระสงเขาก็ไม่ถวายถามเอาถวายได้ยังยังครับยังไม่พร้อมครับมันยังไง พ่อหนี้ท่านก็โมโหขณะที่โมโหอย่างสุดโดยงั้นแหลว่าเขาไม่ปฏิไม่ปฏิบัติตามเอาถ้าเมื่อค่าขายหายเมื่อไรค่าจะจัดการเอาให้เกลี้ยงเลยนะจากนั้นท่านก็เลยตายตายในขณะที่กำลังโมโหเนะี่ยไปเกิดเป็นงูนะเป็นงูเหลือมใหญ่อยู่นะั้นอยู่ในกลางในบึงบึงไหนของมนุษย์กลางโรงใหญ่ เออหากินเกิดขึ้นมาแล้วกังูมันก็ปีเดียวกว่าตัวใหญ่เลยใช่ไหมเออพอมาเห็นเออพ่อของเราไปสู่สวรรค์ชั้นไหนนาะอนะเพราะท่านทําบุญทําฐานมากเพราะท่านตรวจตรา ด, ด้วยญาณรัศนะของท่านที่ไหนได้ไปเกิดเป็นงูเหลือ้อยอยู่ในกลางหนองบึงบึงใหญ่หากินเควงควางเควงควางอยู่เลอหากินกบกินเขียดอยู่เล มึงพระมันเกิดมาแล้วมันก็หิวใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเป็นช้างมันมันก็หิวนมันต้องกินหญ้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสิงโตมันก็ต้องหากินพวกสัตว์นะถ้าเกิดเป็นงูมันก็ต้องกินพวกงูด้วยกันกินกบกินเขียดเป็นอาหารเป็นปลาอะไรมันก็หากินตามสรรพสัตว์เพราะมันหิวะถ้าเกิดเป็นคนก็อาหารของคนเกิดเป็นอันไหนก็เป็นอาหารอันนั้นแหละแต่นี่พระญาธรรมสุภไปเกิดเป็นงูไงงูใหญ่ เอาจากนั้นมาหินโอไม่ได้พ่อตายเกิดเป็นงูละเอท่านก็จําแรงแสดงฤทธินะ์ไปโปรดพอ่อไปก็เป็นพระเนี่ยเราไปไปก็ยืนพวกต่อหน้างูอา้าวพ่อ ไ, ไงไงทําไมมาเป็นอย่างนี้ล่ะวะพ่อรู้ไหมไหนในดีเนี่ยเป็นพระยาธรรมโสดทำบุญเท่าไหร่ทําไมมาเป็นอย่างนี้ละ่ะพ่อก็นง็ดูนะอืใช่ พ่อตอนนี้ไปพ่อรักษาสินห้านะอย่า ก, กินสัตว์นะสัตว์ที่มีชีวิตอย่า ก, กินกินที่มันตายแล้วยัง ก, กินถ้าไม่มีทจะจะมีชีวิตอยู่พ่อต้องรักษาสินหานะพ่อนะนะกับตัวใหม่นะพ่อนะงูตัว น, นั้นกับพองกหัวอยอมรับไปจากนั้นมางูตอนนั้นมันหา ก, กินกบตายมันจะกินได้อย่างง่เอ็มกบมันไม่ใช่จะตายง่ายๆใชอผลลัพสุดงูตัว น, นั้นก็เลยไม่มีอาหารกิน มารักษาศีลอย่างอุกฤษนะจากนั้นงูตัวนั้นก็เลยตายไม่นานตายกันเลยอันนี้สง์บุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตไม่ไม่ไม่ไปไหนนะเนีอเปลี่ยนแต่ว่าอารมณ์โกรธนะโกรธนะในขณะที่ที่ท่านจะตายใจจะขาดนะมันไปทางต่ำได้นะาจากนั้นพอ ท, นท่านฟื้นตัวนะ้ท่านก็ไปสู่สวรรค์นะไปไปเกิดในสวรรค์ เน่ยเพราะอเนสงส์ศีลอเนสงฆ์ฐา น, นในสงฆ์ประกอบคุณงามความดีขององค์ท่านนี่แหละสิ่งเหล่านี้คือเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันการที่จะทําสิ่งไหนก็ตามเมื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลต้องทําใจให้สบายชบายทําใจให้เย็นเย็นจำใจให้นิ่งแล้วเป็นให้จิตใจเป็นบุญกุศลนะไม่ใช่ว่าทํำอะไรปุ๊ปปุ๊ปปั๊ บ, บ, บ, บ, บพอจะเสียเงินขึ้นมาแล้วโมโหโกฏานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าแล้ว เป็นยักษ์เป็นยักษ์ท่าเตียนกรุงเทพนะวัดท่าเตียนเนี่ยเขียวยาวเป็นอย่างนั้นแหะถ้าใครทําบุญด้วยอาหลวงโมโหโกธาเพราะฉะนั้นการทำบุญต้องจิตใจต้องเย็นต้องมีเหตุต้องมีผลพร้อมซะก่อนเราจึงทําบุญทาไม่พร้อมเราอย่าไปทําถ้าทําเข้าไปแล้วมันทําให้จิตใจไม่สบายก็ไม่ควรจะทําถ้าทําไปแล้วขาดตกปกพ่องในครอบครัวเราต้องคิดดูแต่จะไม่ทําเสลยไม่ได้นะ ถ้าไม่ทําเฉลยไม่ได้อันในสงอันในสงทานไม่มีเออทั้งที่ครอบครัวจะร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้ต้องมีทํามฐานต้องแบ่งต้องแบ่งทานอแต่จะให้ตัวเองเดือดร้อนถึงมีน้อยก็ทําบุญตามน้อยเออถ้าไม่มีจริงๆแล้วเรากินข้าวเราแบ่งให้มดกินก็นยังได้เอามดกินเดอ้อมดเนะ่อ <c oughs> เราทําบุญอุทิศเราทาบุญให้ท่านให้เตี้ยงท้องท่านเรามดนะเน่อเพียงแค่นั้นไม่ได้หรอฮะ เพรนั้นเราต้องทําบุญทํามากกว่านั้นกว่าเนี้นให้คนทุกคนจนบาน้างคนขาเปียเสียขาอะไรลักษณะอย่างนั้นตาหูหนวกตาบอดเราเห็นไก่เห็นหมาเนราก็ให้หมา เ, าเสียสละทานะเป็นการฝึกฝึกจิตใจให้พวกเราเป็นผู้เสียสละต่อไปภายภาคนั้นอันในสงทานเนี่ยไม่ไปไหนหรอกมันมาหลังมหาตัวเองนะั่นแหะไปอยู่นสถานที่ใด ไม่น่าจะได้ก็ได้ไม่น่าจะรวยก็รวยไม่น่าจะมีก็มีแต่พออันนี้สงทานมันทะลักเข้ามาหาตัวเองแต่คนขี้ตีนทีเนี้นะเละเงือกแห้งไปเรื่อยๆนะทําไปแล้วก็แห้งไปเรื่อยธรรมมาค้าขายแต่เลยแห้งไปเรื่อยๆปวดในสุดก็เลยเจ๊งด้ง่ายๆเพราะอันนี้สงทานไม่มีอันนี้สงความขยันอย่างเดียวก็ใช่อันนี้ความขยันนะั่นยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้ แต่ถ้าเสริมด้วยบุญบา ร, รมีเก่าเข้าไปด้วย น, ะนั่นหละแปลว่าเต็มเปียนะ่ยมนยบุญเก่าเข้ามาเสริมด้วยความขยันก็มีด้วยปัญญาของเราก็มีด้วยนะทั้งเสริมทั้งสามอย่างเข้าไปนะั่นแะคนนั้นจะไม่จะไม่จนเลยนะรวยอย่างเดียวนะอขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอันนี้เป็นแนวแถวของพุทธพระพุทธศาสนาท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะ ถ้าต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพอนนั่นี่เนะ